แมูลกะสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะเดรธีปริภาโชกถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายทำทั้งปวงมีอะไรเป็นมูลทำทั้งปวงมีอะไรเป็นต้นกําเนิดทำทั้งปวงมีอะไรเป็นเหตุเกิดทำทั้งปวงมีอะไรเป็นที่ชุมนุมทำทั้งปวงมีอะไรเป็นประมุก ทำทั้งปวงมีอะไรเป็นใหญ่ทาทั้งปวงมีอะไรเป็นยอดยิ่งทาทั้งปวงมีอะไรเป็นแก่นทาทั้งปวงมีอะไรเป็นที่อย่างลงทาทั้งปวงมีอะไรเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายทเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบพวกอัญญาติร ถ, ถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระภาสิทธนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะเดรธีปริภาชกถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายหนึ่งททั้งปวงมีอะไรเป็นมูลสองทำทั้งปวงมีอะไรเป็นต้นกําเนิดส ทำทั้งปวงมีอะไรเป็นเหตุเกิด 4. ี่ 4. ทำทั้งปวงมีอะไรเป็นที่ชุมนุม 5. ้าทำทั้งปวงมีอะไรเป็นประมุข 6. กทำทั้งปวงมีอะไรเป็นใหญ่ 7. จ็ดทำทั้งปวงมีอะไรเป็นยอดยิ่ง 8. ปดทำทั้งปวงมีอะไรเป็นแก่น 9. ก้าทำทั้งปวงมีอะไรเป็นที่อยางลง 10. บทำทั้งปวงมีอะไรเป็นที่สุด เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วควรต่อพวกอั ญ, ญะเตระธีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลาย 1. นึ่งทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูล 2. องทำทั้งปวงมีมนุษ ก, การเป็นต้นกําเนิด 3. ามทำทั้งปวงมีผัสสะเป็นเหตุเกิด 4. ี่ทำทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ชุมนุมห้าทำทั้งปวงมีสมาธิเป็นประมุก หกทำทั้งปวงมีสติเป็นใหญ่ 7. จ็ดททั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดยิ่ง 8. ปดทำทั้งปวงมีวิมุตติเป็นแก่น 9. ก้าททั้งปวงมีอมตะเป็นที่ยั่งลงสิบทำทั้งปวงมีนิพพานเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วควรต่อพวกอัญญาเดรถีปริพาโชคเหล่านั้นอย่างนี้แล มูลกะสูตรที่8ดจบ 9. ป้ัปรปชาสูตรว่าด้วยจิตที่ได้รับการอบรมตามสมควรแก่บรรพชาภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจากได้รับการอบรมตามสมควรแก่บรรพชาและบาปอากุศลธรรมที่เกิดตัวขึ้นแล้วจากไม่ครอบมันจิตอยู่ คือจิตของเราจะได้รับการอบรม karaoke, ination, ราาด้วยอนิจจสัญญาหนึ่งจิตของเราจะได้รับการอบรมด้วยอนัตตสัญญาหนึ <Yup. S 1> ่งจิตของเราจะได้รับการอบรมด้วยอสุภสัญญาหนึ่งจิตของเราจะได้รับการอบรมด้วยอาทินวะสัญญาหนึ่งจิตของเราจะรู้ความประพฤติชอบและไม่ชอบของสัตว์โลกแล้วได้รับการอบรมด้วยสัญญาหนึ่ง จิตของเราจะรู้ความเจริญและความเสื่อมของสัตว์โลกแล้วได้รับการอบรมด้วยสัญญา1จิตของเราจะรู้ความเกิดและความดับแห่งสังขารโลกแล้วได้รับการอบรมด้วยสัญญาหนึ่งจิตของเราจะได้รับการอบรมด้วยปหานสัญญา1จิตของเราจะได้รับการอบรมด้วยวิราคะสัญญาหนึ่งจิตของเราจะได้รับการอบรมด้วยนิโรธสัญญาหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนีกอย่างนี้แลเมื่อใดจิตของภิกษุได้รับการอบรมตามสมควรแก่บรรพชาและบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ครอบงำจิตอยู่คือจิตได้รับการอบรมด้วยอนิจจสัญญาหนึ่งจิตได้รับการอบรมด้วยอนัตตสัญญาหนึ่งจิตได้รับการอบรมด้วยอสุภสัญญาหนึ่งจิตได้รับการอบรมด้วยอาทีนวสัญญาหนึ่ง จิตนั้นรู้ความประพฤติชอบและไม่ชอบของสัตว์โลกแล้วได้รับการอบรมด้วยสัญญา1จิตรู้ความเจริญและความเสื่อมของสัตว์โลกแล้วได้รับการอบรมด้วยสัญญา1จิตรู้ความเกิดและความดับแห่งสังขารโลกแล้วได้รับการอบรมด้วยสัญญา1นจิตได้รับการอบรมด้วยปหานะสัญญา1จิตได้รับการอบรมด้วยวิราคะสัญญาหนึ่ง จิตได้รับการอบรมด้วยนิโรธสัญญาหนึ่งเมื่อนั้นภิกษุนั้นพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีปัพั ช, ชาสูตรที่เก้าจบ คิริมานันทสูตรว่าด้วยการหายอ า, าพาธของพระคิริมานนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หนพระเชตวันอารามของอนนทะบิณกะเศรษฐีเขครุงสาวัถีสมัยนั้นแลท่านพระคิริมานนอ า, าพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านพระอนนท์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระคิริมาโนอนอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จไปเยี่ยมท่านพระคิริมานอนนยังที่อยู่เถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานอน์ ถ้าเธอเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10ประการแก่คิริมานนภิกษุเป็นไปได้ที่การอาพาธของคิริมานนภิกษุจะสงบระงับโดยฉับพลันเพราะได้ฟังสัญญา10บประการนี้สัญญาสิบประการอะไรบ้างคือ 1. อ น, นิจจสัญญา 2. อนัตตสัญญา 3. อาสุภสัญญา 4. อาทินวสัญญา 5. ปหาณสัญญา 6. วิราคะสัญญา 7. นิโรธสัญญา 8. สัพพโลเก อ, อนณพิราตาสัญญา 9. สัพพสังขารเรสุอนิจจสัญญา 10. ออนาปานาสติอนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเคอพิสุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดี พิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปาทานขันห้านี้อยู่อย่างนี้นี้เรียกว่าอ น, นิจจสัญญาอนัตตสัญญาเป็นอย่างไรคือภิสุในธรรมวิ น, นัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่คนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่าตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาโผฏฐัพพะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธัมมารมเป็นอนัตตา เป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งหลายที่เป็นภายในและภายนอกขกประการนี้อยู่อย่างนี้นี้เรียกว่าอนัตตสัญญาอาสุภสัญญาเป็นอย่างไรคือพิสุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายนี้เท่านั้นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่า ในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามบอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสล้องเลือดเหงือ่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูด เป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายนี้อยู่อย่างนี้นี้เรียกว่าอสุภสัญญาอาธีนวะวสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้ คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดโรคไข้หวัดโรคไข้พิษโรคไข้เชื่อมซึมโรคท้องโรคลมสลบโรคลงแดงโรคจุกเสียดโรคลงรากโรคเลือนโรคฝีโรคกลากโรคมองคล้อ โรคลมบ้าหมูโรคคิดเปื่อยโรคคิดด้านโรคคุทธราชโรคขูดโรคละองบวมโรคอาเจียนเป็นเลือดโรคดีโรคเบาหวานโรคเริมโรคพุพองโรคฤกสีดวงอาพาธมีดีเป็นสมุทฐานอาพาธมีเฉลยเป็นสมุทฐานอาพาธมีลมเป็นสมุทฐานอาพาธมีไข้สันนิบาตเป็นสมุทรฐาน อาพาธที่เกิดแต่ฤดูแปรปรวนอาพาธที่เกิดแต่การบริหารที่ไม่สม่ำเสมออาพาธที่เกิดแต่ความเพียรเกินกำลังอาพาธที่เกิดแต่วิบากของกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายนี้อยู่อย่างนี้นี้เรียกว่าอาทินวสัญญาปหารสัญญาเป็นอย่างไร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 ไม่รับบาปอกุสมณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและบันเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เรียกว่าปหาณสัญญาวิราคะสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่าภาวะที่สงบปราณีตคือความระงับสังขารทั้งปวง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 ความสละคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความดับนิพพานนี้เรียกว่านิโรธสัญญาสัพพโลเก อ, อนนพิรตสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิในนี้และอุปทานในโลกที่เป็นเหตุตั้งมั่นยึดมั่นและเป็นอนุสัยแห่งจิตงดเว้นไม่ถือมั่นนี้เรียกว่าสัพพโลเก อ, อนนิรตสัญญา สัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอึดอัดระอารังเกียรในสังขารทั้งปวงนี้เรียกว่าสัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาอาณาปานาสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบันลังตั้งกายตรง ดำรงสติไว ha ้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอานาปานสติ16ขั้น 1. เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว 2. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น 3. สำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจออกสี่สำเนียกว่าจะระงับกายะสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับกายะสังขารหายใจออกห้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจออก หกสำเนียอว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้าสำเนียอว่าจะรู้ชัดสุขหายใจออก 7. จ็ดสำเนียอว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียอว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออก 8. ปดสำเนียอว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียอว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจออก เกาสำเนียวว่าจะรู <femme> ้ชัดจ <worship> ิตหายใจเข้าสำเนียวว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออก 10. บสำเนียวว่าจะยั่งจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียวว่าจะยั่งจิตให้บันเทิงหายใจออก11บเอสำเนียวว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียวว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออกสิสอง สําเนียกว่าจะปลื้งจิตหายใจเข้าสําเนียกว่าจะปลื้งจิตหายใจออก 13. ส, สำําำเ น, น, เนียกว่าจะพิจารณาเห็นว네่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสําเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก 14. สำําเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสําเนียกว่า จะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก 15. บหาสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก 16. บหกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกนี้เรียกว่า อาณาปานาสติถ้าเธอจะพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญาสิบประการนี้แก่คิริมานนภิกษุเป็นไปได้ที่อาพาธของคิริมานนภิกษุนั้นจะระงับไปโดยฉับพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนี้ครั้งนั้นแลท่านพระอาหนนได้เรียนสัญญาสิประการนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเข้าไปหาท่านพระคิริมานนถึงที่อยู่ กล่าวสัญญาสิบประการนี้แก่ท่านพระคิริมานน์ขณะนั้นเองอ า, าพาธของท่านพระคิริมานน์สงบระงับลงโดยฉับพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนี้ท่านพระคิริมานน์ได้หายขาจากอ า, าพาทนั้นอ า, าพาทนั้นเป็นโรคอันท่านพระคิริมานน์ละได้อย่างนี้แลคิริมานันทสูที่10จบสจิตตะวักที่หนึ่งจบ รวมพระสูตรที่มีในวรรนี้คือ 1. สจิตตสูตร 2. สารีปุตตสูตร 3. ทิติสูตร 4. สมถสูตร 5. ปริหานสูตร 6. กปฐมมัญญาสูตร 7. ทุติยสัญญาสูตร 8. มูลกะสูตร 9. ป้าปพัชชาสูตร 10. คิริมานันทสูตรสองยมกกะวักหมวดว่าด้วยทำคู่กันหนึ่งอวิชาสูตรว่าด้วยอวิชาพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเมื่อต้นแห่งอวิชาย่อมไม่ปรากฏในการก่อนแต่นี้อวิชาไม่มีภายหลังจึงมีเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวคํานี้อย่างนี้ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นอวิชาที่มีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏแม้อวิชาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชาควรตอบว่า นิวรณหแม่นิวรณหเราก็กล่าวว่ามีอาหารม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณหควรตอบว่าทุจริตสาแม้ทุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารม่ได้กล่าวว่ามไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริตสามควรตอบว่าความไม่สำรวมอินทรีย์ แม right ้ความไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่สำรวมอินทรีย์ควรตอบว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะแม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะควรตอบว่าการมนัษย์การโดยไม่แยบใาย แม้การมนุิการโดยไม่แยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการมนุิยการโดยไม่แยบคายควรตอบว่าความไม่มีศรัทธาแม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาควรตอบว่าการไม่ฟังศรัทธา แม้การไม่ฟังศัตรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมีได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ฟังศัตรรมควรตอบว่าการไม่ครบสัตบุุรการไม่ครบสัตบุรุษที่บริบูร์ย่อมทำให้การไม่ฟังศัตรรมบริบูรณ์การไม่ฟังศัตรรมที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมทําให้การมนสษการโดยไม่แยกคลายบริบูรณ์การมนุษการโดยไม่แยบคลายที่บริบูรณ์ย่อมทําให้ความไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมทําให้ความไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์ความไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมทําให้ทุจริตสามบริบูรณ์ทุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมทําให้นิวรณ์หบริบูรณ์ นิวรณ์หที่บริบูรณ์ย่อมทําให้อวิชชาบริบูรณ์อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายการไม่คบสัตว์ปรุษที่บริบูรณ์ย่อมทําให้การไม่ฟังสัตยธรรมบริบูรณ์ละถึงนิวรณ์หที่บริบูรณ์ย่อมทําให้อวิชชาบริบูรณ์อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนยอดเขาเมื่อฝนตกลงหนักๆน้ํานั้นไหลไปตามที่ลุ่มทําให้ซอกเขาลําธารและห้วยเต็มเปี่ยมซอกเขาลําธารและห้วยเต็มเปี่ยมแล้วทําให้หนองเต็มหนองเต็มแล้วทําให้บึงเต็มบึงเต็มแล้วทําให้แม่น้ําน้อยเต็มแม่น้ําน้อยเต็มแล้วทําให้แม่น้ําใหญ่เต็มแม่น้ําใหญ่เต็มแล้ว ทำให้มหาสมุทสาครเต็มมหาสมุทสาคร น, นี้มีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้ว่าด้วยวิชาและวิมุตติภิกษุทั้งหลายแม้วิชาและวิมุตติเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของวิชาและวิมุตติควรตอบว่าโพชงเจตแม้โพชงเจต เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของโพชอชงเจ็ดควรตอบว่าสติปทานสแม้สติปทานสี่เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสติปทานสควรตอบว่าสุจริตสาแม้สุจจริตสามเราก็กล่าวว่าม <droit> ีอาหาร มีได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสุจริสาควรตอบว่าความสำรวมอินทรีย์แม้ความสำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมีได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความสำรวมอินทรีย์ควรตอบว่าสติสัมปชัญญะแม้สติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะควรตอบว่าการมนสิยการโดยแยบคายแม้การมนสิยการโดยแยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการมนุษย์การโดยแยบคายควรตอบว่าศรัทธาแม้ศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของศรัทธา ควรตอบว่าการฟังสัตยธรรมแม้การฟังสัตยธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการฟังสัตยธรรมควรตอบว่าการคบสัตบุษการคบสัตบุตรที่บริบูรณย่อมทำให้การฟังสัตยธรรมบริบูร์การฟังสัตยธรรมที่บริบูร์ย่อมทำให้ศรัทธาบริบูร์ ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมทําให้การมนุษย์การโดยแยบคายบริบูรณ์การมนุษย์การโดยแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมทําให้สติสัมปัญญะบริบูรณ์สติสัมปัญญะที่บริบูรณ์ย่อมทําให้ความสํารวมอินทรีย์บริบูรณ์ความสํารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมทําให้สุจริตสามบริบูรณ์สุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมทําให้สติปัฏฐานสบริบูรณ์ สติปทานสีที่บริบูรณ์ย่อมทำให้โพ่อชงเจบริบูรณ์พ่ชงเจที่บริบูรณ์ย่อมทำให้วิชาและวิมุติบริบูรณ์วิชาและวิมุตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายการคบสัตว์บุรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การฟังสัตยธรรมบริบูรณ์และถึงพ่ชงเจที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้วิชาและวิมุติบริบูรณ์วิชาและวิมุตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนยอดเขาเมื่อฝนตกลงหนักๆน้านั้นไหลไปตามที่ลุ่มทำให้ซอกเขาลำธารและห้วยเต็มเปี่ยมซอกเขาลาธารและห้วยเต็มเปี่ยมแล้วทำให้หนองเต็มหนองเต็มแล้วทาให้บึงเต็ม บึงเต็มแล้วทำให้แม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำให้แม่น้ำใหญ่เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วทำให้มหาสมุทรสาคูนเต็มมหาสมุทรสาคนูนนี้มีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้อวิชชาสูตรที่หนึ่งจบ 2. ตันหาสูตรว่าด้วยตันหาภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งภวะตันหาความทยานอยากในพบย่อมไม่ปรากฏในการก่อนแต่นี้ภวะตันหาไม่มีภายหลังจึงมีเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นภวะตันหาที่มีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏแม้ภวะตันหาเราก็กล่าวว่ามีอาหาร ไม่ได้กล่าวว่าไม่ไมีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของภวะตันหาควรตอบว่าอวิชาแม้อวิชาเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชาควรตอบว่านิวรห้าแม่นิวรห้าเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรห้า ควรตอบว่าทุจริตสามแม้ทุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริตสามควรตอบว่าความไม่สำรวมอินทรีย์แม้ความไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล <filho puedo S 2> ่าวว่าไม่ม <precision> ีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่สำรวมอินทรีย์ควรตอบว่า ความไม่มีสติสัมปชัญญะแม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะควรตอบว่าการมนุษการโดยไม่แยบคายแม้การมนุษการโดยไม่แยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการมนุษการโดยไม่แยบคาย ควรตอบว่าความไม่มีศรัทธาแม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมีได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาควรตอบว่าการไม่ฟังสัตยธรรมแม้การฟังอสัทธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการฟังอสัทธรรมควรตอบว่าการไม่คบสัตบุต การไม่คบสัตว์รุษที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การไม่ฟังสัตวธรรมบริบูรณ์การไม่ฟังสัตวธรรมที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การมนัษย์การโดยไม่แยบคายบริบูรณ์การมนัษยการโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมทําให้ความไม่สํารวมอินทรีย์บริบูรณ์ความไม่สํารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมทําให้ทุจริตสามบริบูรณ์ทุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมทําให้นิวรณ์หบริบูรณ์นิวรณ์หที่บริบูรณ์ย่อมให้อวิชาบริบูรณ์อวิชาที่บริบูรณ์ย่อมทําให้ภวะตันหาบริบูรณ์ภวะตันหานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้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 ซอกเขาลำธารและห้วยเต็มเปี่ยมแล้วทำหนองให้เต็มหนองเต็มแล้วทำให้บึงเต็มบึงเต็มแล้วทำให้แม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำให้แม่น้ำใหญ่เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วทำให้มหาสมุทรสาครเต็มมหาสมุทรสาครนี้มีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้ว่าด้วยวิชาและวิมุตติ แม่วิชาและวิมุตติเราก็กล่าวว่ามีอาหารม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของวิชาและวิมุตติควรตอบว่าโพชชงเจตแม้โพธชงเจตเราก็กล่าวว่ามีอาหารม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของโพธชงเจตควรตอบว่าสติปทานสี่แม้สติปฐานสี่เราก็กล่าวว่ามีอาหาร ไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสติปทานสควรตอบว่าสุจริตสามแม้สุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสุจริตสามควรตอบว่าความสำรวมอินทรีย์แม้ความสำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของความสํารวมอินทรีย์ควรตอบว่าสติสัมปชัญญะแม้สติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะควรตอบว่าการมนสิการโดยแยบคายแม้การมนสิยิการโดยแยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร อะไรเล per AH ่าเป็นอาหารของการมานาจิการโดยแยบคายควรตอบว่าศรัทธาแม้ศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของศรัทธาควรตอบว่าการฟังสัตธรรมแม้การฟังสัตธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมีได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการฟังสัตธรรมควรตอบว่า การคบสับตพปรุษการคบสัตพปรุษที่บริบูรณ์ย่อมทําให้การฟังสัจธรรมบริบูรณ์การฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมทําให้ศรัทธาบริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมทําให้การมนุษการโดยแยบขายบริบูรณ์การมนุษการโดยแยกขายที่บริบูรณ์ย่อมทําให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมทําให้ความสํารวมอินทรีย์บริบูรณ์ความสํารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมทําให้สุจริตสามบริบูรณ์สุจริตสามที่บริบ <imin> ูรณ <m correr intimid ate> <sh arp amente reten> ์ย <complement> ่อมทําให้สติปัฏฐานสีบริบูรณ์สติปัฏฐานสีที่บริบูรณ์ย่อมทําให้โพชฌงเจตบริบูรณ์โพชฌงเจตที่บริบูรณ์ย่อมทําให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์ วิชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายการคบสัตบุตรที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การฟังสัจธรรมบริบูรณ์และถึงโพชฌงเจดที่บริบูรณ์ย่อมทำให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์วิชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนยอดเขา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 มหาสมุทสาคอนี้มีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้ตันหาสูตรที่สองจบสามนิทังคตะสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เชื่อมั่นในตถาคต ภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเชื่อมั่นในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบรรดาบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเหล่านั้นบุคคลห้าจำพวกมีความสำเร็จในโลกนี้และบุคคลห้าจำพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จบุคคลห้าจำพวกไหนบ้างมีความสำเร็จในโลกนี้คือหนึ่งพระสัตตะขัตตุปรมโสดาบัน 2. พระโกลังโกละโสดาบัน 3. พระเอกพีชีโสดาบันสีพระสกะทาคามี 5. พระอรหันต์ในปัจจุบันบุคคลห้าจำพวกนี้มีความสำเร็จในโลกนี้บุคคลห้าจำพวกไหนบ้างละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จคือ 1. พระอนาคามีผู้อัญตราปรินิพพายี 2. ราารพระอนาคามีผู้อุปหจจะปรินิพายี 3. พระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพายี 4. พระอนาคามีผู้ ส, สังขาระปรินิพายี 5. พระอนาคามีผู้อุททางโสตอากนิทคามีบุคคลหาจำพวกนี้ละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จภิกษุทั้งหลายบุคคล เ, เหล่าใดเหล่าหนึง่งเชื่อมั่นในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิบรรดาบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิเหล่านั้นบุคคลห้าจำพวกแรกนี้มีความสําเร็จในโลกนี้และบุคคลห้าจำพวกหลังนี้ละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสําเร็จนิทังคตะสูตรที่สามจบ 4. อาเวจับปสัสสนสูตรว่าด้วยผู้เลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหว ภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโสดาบันบรรดาบุคคลผู้เป็นโสดาบันเหล่านั้นบุคคลห้าจำพวกมีความสาเร็จในโลกนี้และบุคคลห้าจำพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จบุคคลห้าจำพวกไหนบ้างมีความสำเร็จในโลกนี้คือหนึ่งพระสัตตะขตุปรมโสดาบัน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 2. พระอนาคามีผู้อุปหจจะปรินิพพายี 3. พระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายี 4. พระอนาคามีผู้สังขาระปรินิพพายี 5. พระอนาคามีผู้อุทังโสตะอกนิธะคามีบุคคลห้าจำพวกนี้ละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จภิษุทั้งหลาย บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโซดาบันบรรดาบุคคลผู้เป็นโซดาบันเหล่านั้นบุคคลห้าจำพวกแรกนี้มีความสำเร็จในโลกนี้และบุคคลห้าจำพวกหลังนี้ละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จเอาเวจับปสัสสนสูตรที่สจบ